บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสังโยชน์ที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นมาถึงเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้คือความรู้ไม่จริงซึ่งเป็นรากง่าวของกิเลสทั้งปวง ว่าจะเรียกชื่อยังไงก็ตามรุนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากอาวิชชาทั้งนั้นการสัสรูของพระพุทธเจ้าก็คือการทำลายอาวิชชาลงไปอย่างที่ท่านแสดงไว้ในรูปของปัจจยยการคือการเกิดขึ้นและการดับไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น คือเมื่อทรงปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้ววิชาได้บังเกิดขึ้นเต็มเปีย่ยมอวิชาก็ดับไปเมื่ออวิชาดับสังขารคือกรรมได้แก่ความดีความชั่วและแม้แต่ระดับที่เป็นฌานก็ดับตามไปวิญญาณคือการถือปฏิสนธิในกาเนินต่างๆก็ดับ เมื่อการถือปฏิสนธิไม่มีกระบวนการของชีวิตก็ดับไปการเกิดในพบใหม่มันก็ไม่มีเพราะไม่มีเหตุให้ต้องเกิดเพราะกระบวนการของลยสัตว์ทั้งหมดกระบวนการของปฏิจจสมบัติทั้งหมดจึงดับในสายของการเกิดนั้นก็เพราะเอาวิชามันเกิดการกระทําก็เกิดเป็นบุญเป็นบาปแล้วก็เป็นกลางๆ เมื่อมีบุญมีบาปอยู่บาปบาปุญบาปก็จะแยกแบ่งแยกคนในชั้นของการอุบัติในสังสารวัฏแลในชั้นของการดำรงชีวิตตลอดถึงในแต่ละขณะของชีวิตมันมีความแตกต่างกันออกไปในส่วนใหญ่ที่สุดก็คือก่อให้เกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาเดิมนาคของกามเหล่านั้น อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีตแตกต่างกันเมื่อมีการถือปฏิสนธิก็กลายเป็นนามรูปกลายเป็นอายตนะภายในเมื่อมีอายตนะก็กระทบกับอายตนะภายนอกคือสัมผัสมีการเรียนรูปเป็นต้นก็ก็ให้เกิดเป็นความยินดียินร้าย ความพอใจไม่ชอบใจเมื่อเกิดไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาเกิดชอบใจก็เกิดสุขเวทนาเป็นการปลุกเร้าให้เกิดตัณหาคือความอยากในส่วนที่เราชอบและความไม่อยากในส่วนที่เราชังและจิตใจก็จะยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยความรักความสั่งด้วยด้วยความต้องการความไม่ต้องการต่อจากนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นภพ ขึ้นมาภายในจิตคือความมีความเป็นรู้สึกว่าตัวมีตัวเป็นขึ้นภายในจิตตลอดถึงรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะนั้นๆตลอดถึงก่อให้เกิดการบางการถือกาเนิดในพ บ, พบต่างๆที่ทรงจาแนกแสดงเอาไว้เป็นรูปของกาโมภพเป็นรูปของรูปภพและรูปภพนั้นก็คือกระบวนการเกิด อวิชชานั้นที่จริงแล้วเราน่าจะแปลว่าความรู้ไม่จริงคือไม่ถึงกับไม่รู้เลยทีเดียวนอกจากว่ามืดบอดออกมากๆอย่างที่ท่านอาชิตมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเ จ, จ้งงเาว่าโลกคือหมูสัตนนว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเราสั่งตอบว่าโลกคือหมูสัตว์อันวิชชาปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืด ในความเป็นอวิชามันก็มียิ่งบีย่อนกันคล้ายๆความมืดที่เราสถานที่มืดซึ่งเราเข้าไปก็มีความมืดยิ่งหย่อนแตกต่างกันถ้ามืดไม่มากก็พอเห็นอะไรอยู่บ้างถ้ามืดมากก็ยุ่งยากนิดหน่อยแต่ตามปกติแล้วคนเราที่เกิดมาเป็นคนมันก็พอรู้เกิดถึงมืดก็ไม่มากเกินไป เพียงแต่ว่าเป็นความรู้ไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าระดับของความรู้ที่ทรงมุ่งหมายนั้นทรงเรียงไว้เป็นสระดับระดับแรกเรียกว่ายาตะปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้การศึกษาการได้ยินได้ฟังการอ่านการสอบถามอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับปรยิยาติศึกษา ในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสประการต่อไปนั้นเรียกวตีรณปริญญาคือ น, นำมาพิจารณาเป็นความรู้ที่นำเอาสิ่งนั้ น, น, นมาคิดมาพินิจพิจารณาป่อยๆจนเกิดเป็นความรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจซึ่งเราเห็นว่าเอาก็จริงบางเรื่องก็ต้องใช้เวลานาน ตัวอย่างง่ายๆเจนความสำนึกขุนของพ่อแม่คนบางคนอาจจะคิดไม่ออกหรือคิดเตลิดเปิดเปิงไปอีกทางหนึง่งแต่กว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรก็สายไปแล้วอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูแย่งราชสมบัติจากพระราชบิดาคือรรพระเจ้าปเสนพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่าไม่ต้องแย่งมาลูกต้องการพ่อก็ให้เลยก็ให้เลยไม่ต้องออกเรียกออกแรงอะไรไม่ต้องมีการกรบฏปฏิวัติ ร, รัฐประหารอะไรก็ให้ไปเลยแต่ท่านยังหวาดระแวงกลัวว่าพระเจ้าพิมพิสารจะแย่งราชสมบัติค้นใช้อำนาจของพระราชนไปจับขังราชบิดาแล้วก็ทรมานโดยประการต่าง จนถึงกับให้มีดโกนเอามีดโกนไปกรีดที่พระบาทเพื่อไม่ให้เดินจงกรมได้แต่พอท่านได้พระโอรสทราบข่าวการได้พระโอรสก็มีความรู้สึกถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกพระไตยก็ย้อนคิดถึงพระราชบิดาเรียกหาพระติพระราชบิดา แต่ก็มีคนมาแจ้งข่าวต่อกันว่าพระเจ้าพ่มิสารที่วงคตไปแล้วแล้วทำให้พระองค์ถูกความโศกกัดกร่อนจิตใจความทุกข์กัดกร่อนจิตใจอยู่ถึงเวลา26ปีตลอดรัชสมัยที่ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินถูเพราะการคิดพินิจเป็นนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆเพราะความรู้ระดับนี้ที่จริงเป็นความรู้ระดับคิดเท่า น, นั้นเอง อาจจะเห็นได้หรือเห็นตามคล้อยตามหรือไม่เห็นตามคล้อยตามก็ไม่แน่เสมอไปอย่างที่บอกไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหมดที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปรวมก็คือเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้งสีป่ประการอย่างในกรณีที่พูดถึงการรู้ทุกข์คำว่าทุกข์นั้นก็เรียกว่าทุกขสัจคือความจริงคือทุกข เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะเป็นสุขไปได้และเป็นความจริงที่ทำให้ผู้รู้เห็นความจริงเป็นพระอริยเจ้าโดยการคิดการศึกษานะั้นมันทวนกระแสจิตใจของคนเพราะเป็นเรื่องที่คนไม่ชอบสักอย่างเดียวอย่างที่ดํามาสูตรกัน ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกเนคนจะชอบอยู่เฉพาะความเกิดแต่ไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายไม่ชอบการพรากสูญเสียไม่ชอบความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความใช้ใจความกับแค้นใจก็ไม่มีอะไรชอบเลยแต่ในขณะเดียวกันคนก็ชอบเกิดตอนนี้ก็แสดงว่ามีอวิชชาอยู่มากแล้ว เพราะไรเพราะมองไม่เห็นเป็นกระบวนเมื่อตนไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันต้องแก้ที่ไม่เกิดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพวงมาจากความเกิดเราชอบความเกิดเราชื่นชมกับคนเกิดชื่นชมกับการเกิดแล้วก็ปรารถนาการเกิดในภพชาติที่ประณีตแตกต่างกันการบำเพ็ญบุญเรา ระดับเรียกว่าวัตถกามีคือต้องการหมุนว ER. นอยู่ในสังสารว vid. ัฏมีลักษณะปลักษณะปรารถนาความเกิดปรารถนาการบังเกิดในสวรรค์การบังเกิดในพรหมโลกการมีความสุขในภพที่ตนได้บังเกิดแม้แต่พอในอะไรต่างๆแล้วก็ปรารถนา literacy, อย่างนั้นก็แสดงว่าความรู้สึกควายคว้าปรารถนาในลักษณะนี้ก็มีอวิชชาอยู่ เพราะยังรู้เห็นไม่ใช่ตามเป็นจริงที่แท้จริงท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตราบใดที่ยังเกิดแต่นั่นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากช่วงเกิดถึงช่วงตายก็ต้องมีการพลาดพราดสูญเสียประสบปัญหาสารพัดแม้แต่เป็นเทวดาก็ยังมีความเศร้าโศกมีการพลาดพราดสูญเสียเป็นพรมเองก็ยังมีการพลาดพราดสูญเสีย เพียงแต่ว่าทุกอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอาวิชชาท่านลดลงไปมากเพราะความรู้ทุกพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนเรื่องของทุกในแนวออกมาพิจารณาได้ต้องพิจารณาบ่อยๆทั้งในเรื่องของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเพราะนักสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่า ขอที่ส่งสอนให้คิด บ, บ่อยๆให้นึกบ่อยๆนึกอยู่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องของคติธรรมดาของชีวิตประการหนึ่งปัจจัยเสริมในการดำรงชีวิตประการหนึ่งสถานภาพสถานภาพของคนแต่ละคนประการหนึ่งในเรื่องของชีวิตก็ส่งสอนในแนวที่เรียกว่าปัญหาปัจจุบันขณะ สนพิจารณาเรงความแก่ความเจ็บความตายและการพราดพลาดสูญเสียว่าเป็นเรื่องกติธรรมดา ท, ทุกชีวิตซึ่งเกิดมาแล้วจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันพอถึงเรื่องของการกระทำสอนสอนพิจารณาว่าที่จริงนั้นเราจะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้พระเจ้าทรงแสดงเหตุที่ควรกระทาและไม่ควรกระทาเอาไว้ เรียกว่าการรยากิคือกิจที่ควรทำอกตรยากิคือกิจที่ไม่ควรกระทาบางครั้งก็อาจจะใช้ับว่าควรเวทควรประพฤติควรดำเนินไม่ควรดำเนินควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติแต่พระเจ้าก็ทรงทำได้แค่นั้นทำได้แค่การบอกทางให้เท่านั้นเแต่ก็สอนให้คนตระหนักรับผิดชอบในการกระทาของตน ด้วการกระทําของบุคคลอื่นตอนนี้มีส่วนสาทะยาการประจํานั่นแหละกรรมสกุมีกรรมดาจะดูเป็นต้นเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนืดอมีกรรมเป็นผ่อพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมาไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลด้วกรรมนั้นประเด็นนี้ทรงใช้คำว่าปัจจะเวกขณะเปลว่าพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆ แต่ทรงย้ำก็ไปว่าอภินหปะปัจเวกคณะพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นบ่อยๆเจาะจงในเรื่องนั้น น, นให้บ่อยๆจนเข้าถึงใจซึจ่งท่านสาธาชนทั้งหลายเห็นว่าเอาก็จริงหข้อนี้ก็ยุ่งแล้วเพราะอะไรเพราะในส่วนของความเกิดนั้นเราชื่นชมยินดีต่อการเกิดลูกหลานเกิดได้หลานได้ลูก ได้น้องใต้อะไรก็ตามประดิีใจมีการเชิญชมมีการเยี่ยมเยือนมีการทําขวัญมีการต้อนรับกันเป็นการใหญวันเกิดก็สนุกสนานกันเป็นการใหแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมไม่ยอมรับเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บไม่ชอบทั้งแก่ทั้งเจ็บ ไม่ชอบตั้งความพลาดพลาดสูญเสียไม่ชอบตั้งความตายทั้งท่านที่มันมาจากความเกิดเราอยากได้เหตุแต่ไม่อยากได้ผลซึนึกแล้วก็เป็นเรื่องจี่ไม่รู้จะทำยังไงคล้ายๆกับเราไม่ต้องการผลทุเรียนแต่เราต้องการเราปลูกทุเรียน เราไม่ต้องการกลิ่นเหม็นของกของดอกอุตจาพิษแต่เราก็ปลูกอุจจาพิษถึงไมเป็นความขัดแย้งเป็นความต้องการในกขัดแย้งกันในตัวก็แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ไม่จริงเพราะยังมองไม่เห็นเป็นกระบวนการที่สืบต่อกันไปพระพิษนวพุทธจึงสอนให้มองเป็นกระบวนการแต่พออมาถึงกรณีของกรรมอีกก็จะมีลักษณะอย่างนีน คือคนไม่ต้องการผลกรรมบางอย่างแต่ก็หยุดสร้างเหตุไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งความทุกข์ความสุขไว้แล้วว่าทําอย่างนั้นจะมีความทุกข์ทำอย่างนั้นจะมีความสุขเราต้องการความสุขแต่เราสร้างเหตุที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาตามสมควรแก่เหตุเราเกิดปฏิเสธผลเหล่านั้น แล้วก็เกิดต่อต้านเกิดโยนความผิดเหล่านั้นหรือผลเหล่านั้นให้แก่คนตื่นภาะที่ไม่ควรเกิดมันก็เกิดขึ้นและไม่อยู่ไม่น้อยที่ขาดการพิจารณาในแง่ตรงนี้เพราะคนเรามีกรรมของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนอื่นเขาก็มีกรรมของเขาแล้วก็จะต้องเป็นผู้รับความของเขาเราก็มีกรรมของเราคนอื่น เราก็ต้องรับผลของกรรมของเราก็เรียกว่าเรามาด้วยกรรมของเราเองเราอยู่ด้วยกรรมของเราเอ ง, เ ร, เ, องเราจากไปด้วยกรรมของเราเองอย่างที่พระปุทตาจาราเทรีพิกตุรีได้กล่าวตักเตือนคนทั้งหลายที่มาเรียนถามท่านในกรณีที่ลูกต้องตายไปในขณะที่อายุยังน้อยแล้วความคิดตรงนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาได้ มีปัญญามากพอที่จะเข้ากํากับความคิดอย่างน้อยที่สุดก็จะหยุดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสองประการนี้ลงไปได้ซึ่งแต่เรามองสังเกตดูจะพบว่าเวลานี้ความคิดแนวนี้ค่อนข้างแพร่หลายและเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือการอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราเอง เห็นคนนําคนไปทาแผนประทุษกรรมคนฆ่าคนตายก็าํารวจนาไปทําแผนประทุษกรรมผูไทยมุงทั้งหลายก็คือเข้าไปจะฆ่าคนนั้นให้ตายพอถาม่าต้องการฆ่าเ็าทำไมบอกว่าเพราะเขาเป็นฆาตากรโดยลืมคิ ด, ด ว, ว่าที่ตัวกบบาลังจะฆ่าคนอื่นนั้นคือตัวเองเตรียมจะเป็นฆาตากรด้วย เรารังเกียจการกระทำเช่นนั้นแต่เราก็อยากกระทำกรรมเช่นนั้นโดยไม่นึกว่าถ้าเราทำเช่นนั้นคนอื่นก็มองเราเป็นฆาตากรแล้วจะรุมสกามเราอีกควรไปใช้บทเรียนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพินิจพิจารณาอยางในกรณีของคนร้ายที่ยิงอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีตาย ตำรวจจับได้คนอีกคนหนึ่งโกรธก็มายิงคนนั้นตายพอมายิงตำรวจก็ยิงแก่ตายก็สรุปว่าแทนที่จะมีฆาตกรอยู่เพียงคนเดียวก็มีฆาตกรสองคนและมีผู้ทำวิสามาันฆาตการรมอีกหนึ่งคนเป็นการเพิ่มบาปกระจายออกไปเพิ่มความสุญเสียกระจายออกไปแทนที่จะจับเฉพาะคนที่ ฆ่าประธานาธิบดีจอร์แดนเคนเนดีแล้วก็พิจารณาไปตามกฎหมายก็ไม่ได้ไปอย่างนั้นตัวนี้ก็คือบทเรียนที่จะเห็นได้ว่าเป็นการกระทำอาศัยความชั่วคนอื่นเป็นเครื่องมือในการนําชั่วคนตนเองมีลักษณะของอวิชชาอยู่มากเป็นความมืดบอดในเชิงการใช้เหตุผลตัวเองไม่ชอบคนนั้นแต่ว่าตัวเองจะเป็นอย่างที่คนนั้นเขาเป็น ติดลดลงมาอีกระดับหนึ่งก็คืออาศัยความช่วของคนอื่นหยุดทําความดีกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปรากฏข่าวบ่อยๆที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือข่าวเรื่องพระหลงข่าซื้อพิมพ์จริงไม่จริงไม่รู้เพียงแต่ข่าวเท่านั้นตัวเองก็ตัดสินแล้วตั้งตัวเป็นผู้ภากษาไปแล้ว เลิกไหว้พระแล้วมายอมทำบุญดักบาทมายอมเข้าวัดโดยบอกว่าพระองค์นั้นประพฤติไม่ดีนั่นแสดงว่าเราก็ทำดีอยู่ดีเดีเพียงแต่ได้ข่าวคนอื่นทาไม่ดีแล้วไม่รู้มันเกี่ยวกับเราตรงไหนเหมือนกันตัวเองก็หยุดทำความดีเฉยเพื่อจะไม่ดีเหมือนกับเขาด้วย เห็นเขาไม่ดีแล้วขอโดยสารขอเป็นพวกไม่ดีด้วยนั่นคือความคิดที่ขาดหลักยีวิชาอยู่มากบิดบางเหตุผลส ต, ติปัญญาไม่ได้ถามมันเกี่ยวอะไรกันเพราะในกระบวนการของกรรมที่สงสอนในพิจนารณานั้นให้ลองสังเกตว่าให้รับผิดชอบตัวเองเท่านั้นคุณเรามีกรรมเป็นของข้อตน แต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของของตนและแต่ละคนจะต้องรับผลของกรรมคุณเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่กรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เดีอิงอาศัยกรรมือการกระทำของตนแต่ละคนนั้นก็อิงอาศัยการกระทำของตนก็ถูกจับก็เพราะการกระทำของเขาก็ติดคุกก็เพราะการกระทำของเขา เราจะไม่มีความผิดเป็นเหตุถูกจับเราไม่ต้องหาเรื่องให้ถูกจับเรายังมีเหตุที่ต้องติดคุกก็ไม่ควรหาเรื่องให้ติดคุกและที่ทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายที่ว่าใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็าตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นคือตัวหลักหลักในการคิดว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปคนเราในโลกนั้นมาพบ ก, กันชั่วคราวเท่านั้นเอง ใครจะทำชั่วให้ยังไงก็ตามใครจะทำอนันตรีกรรมอะไรก็ได้แต่เราไม่ทำเราก็ไม่ต้องตกนรกมันเป็นงรับผิดชอบเฉพาะส่วนตัวคนแต่ละคนแต่ถ้าหากว่าภายในใจ ย, ยังมีวิชายังมีโมหะปิดบงังเหตุผลนติปัญญาอยู่มากมันก็แกว่งก็สับสนก็อย่างที่พระเจ้าทรงสอนนั่นแะพึงชนะความชั่วด้วยความดี ไม่ใช่พอเขาช่วเราช่วด้วยก็สาสตรโครนมาเราสาสตร์ด้วยมันก็เละกันไม่รู้เรื่องแต่การล้างคโครนนั้นก็ต้องล้างในน้าที่สะอาดไม่มีใครล้างคโครนด้วยคโครนได้คือช น, นะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธถ้าเขาโกรธมาเราโกรธตอบมันก็ฆ่ากันตายแต่ถ้าเราชนะเราใช้ความไม่โกรธก็ด่ามาเราไม่ด่าตอบก็ประทุษ้ายมาเราหลบเลหลีก เขาก็หมดภูมิได้จะด่าเราเองก็ไม่ต้องเพิ่มบาปไม่ต้องสร้างบาปเขาเองก็ไม่ต้องเพิ่มบาปไม่ต้องสร้างบาปขึ้นมากกว่าที่บาปอยู่แล้วพึงจะนะคนจะหนีโดยการให้แต่เองเขาจะหนีเราไม่ให้โดยเราตกลงว่าไม่มีสื่อสัมพันธ์ทางใจกันอยู่ร่วมกันโดยขาดความสงบ หรือคนผู้จารเราแหละด้วยการพูดกำสัติ์คำจริงถ้าเขาล่อแหลมมาเราล่อแหลไปเลยเพื่อเจอกันหมดเลยหาคนที่มีสาระแก่นสารไม่ได้หมายความไม่กระโจนลงไปทำความชั่วตามเขาเป็นระดับหนึ่งทำความดีเพื่อสลายความรู้สึกที่ไม่ดีของเขานั่นคือวิธีการที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ซึงหมายความมาในชั้นของการคิดพินิษ์พิจารณานั้นต้องคิดมากในส่วนของทุกษัตริย์สี่ข้อก็ต้องคิดบ่อยๆจนกลายเป็นความรู้ที่ทรงใช้คำว่าปานะปรินยาคือรู้ระละได้ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความโสกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเจ๊ยใจความขับแค้นใจ ผลการจะพิสูจน์ว่าเรารู้เห็นความจริงเหล่านี้ตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ดูเมื่อแก่เราเดือดร้อนเพราความแก่หรือเปล่าดูเมื่อเจ็บเราเดือดร้อนเพราความเจ็บหรือเปล่าดูเมื่อยาติพี่น้องตายดูเมื่อการพลัดพรากสูญเสีย เราทำใจได้หรือเปล่าว่ามันเป็นธรรมดาเอวังธรรมโมเอวังภาวีวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างที่พระเจ้าทรงให้สติตักเตือนว่าการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพิริพิไรรำพันเมื่อคลาดเมื่อมีการพราดาจากการเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทา โรยทรงให้เอ็ดผลว่าหนึ่งเมื่อทำไปแล้วหนึ่งญาติพี่น้องที่ตายไปก็ไม่รู้การร้องไห้เสียใจของเราเขาก็ไปอย่างที่เขาไปตามธรรมดาของเขาสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็จะสุดโทรมเพิ่มลงไปอีกญาติพี่น้องที่มาร่วมงานลูกข่าวการตายมาเห็นความเศร้าโศกของเราก็จะพลอยทุกข์เพิ่มขึ้นดิบ แต่ที่จะทุกข์เฉพาะตายเรื่องเดียวก็จะทุกข์ถึงคนเป็นที่กําลังเศร้าโศกอยู่ได้ภาพเรานี้แต่ละคนมีประสบการณ์ในชีวิตเราไปงานศพ บ, บางงานในเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มผัวตายพ่อตายลูกก็ร้องไห้ปัญญาก็ร้องไห้พี่ร้องไห้น้องร้องไห้ก็ไปปลอกกันเป็นกลุ่ม แทนที่จะทํางานเกี่ยวกับศพไปเสร็จไปคนก็ต้องแบ่งแยกกันไปทํางานช่วยเรื่องศก บ, บ้างช่วยเรื่อยช่วยช่วยเรื่องคนที่เป็นกำลังเศร้าโศกอยู่บ้างแล้วตัวเองก็พอยโศกตามไปก็ลกลายเป็นมหากรรมในการเศร้าโศกแทนที่จะเศร้าโศกเพราะเรื่องเดียวก็เศร้าโศกหลายๆเรื่องและทงแสดงว่าคนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นจะชื่นชมยินดี ที่เราประสบความพิบัติทำสอนในอภิษฐานานั้นสอนให้ทำในเรื่องที่เราทำได้เรื่องทำไม่ได้อย่าไปทำทำแล้วมีปัญหาแลแนวกุ้เบขาที่ทรงสอนแนวของพระมิหารที่ทรงสอนเบขาเนี่ยเพราะบางเรื่องนเราทำไม่ได้คืนทำกันแล้วมีปัญหากันใหญ่ ในกรณีที่ควรเมตตาเราก็เมตตาคนประสบความเดือดร้อนเราก็ใช้กรุณาคนประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าก็ใช้โมทิตาคนก็ขฆ่าคนตายถูกตำรวจจับได้สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นสามีพันยาเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เมตตาก็ไม่ได้การุณาก็ไม่ได้มทิตาก็ไม่ได้ มันก็ทำใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในความพิบัติเดือดร้อนของคนเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของกรรมซึงถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อายการเจ้าหน้าที่ศาลเองถ้าทำอย่างนั้นแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ นี่คือการใช้ปัญญาพินิพิจนาในแง่ของคติธรรมดาชีวิตเพื่อให้ปรับใจยอมรับความจริงอย่างที่เคยยกตัวอย่างนางมาริกาทวีวีที่ว่าสามีกับลูกถูกฆ่าตายท่านคิดเพียงประโยชนสั้นๆว่าสิ่งที่ต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้ว คิดไปก็เท่านั้นโศกไปก็เท่านั้นไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาก็ตายเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มคนโศกขึ้นเท่านั้นก็แสดงการเพิ่มปัญหาในอย่างที่พระเจ้าทรงเตือนให้สติแก่นางวิสาขาอีหลานชายนางตายร้องห่มร้องไห้มากว้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าวิสาขาเธอคิดอย่างไรเธอต้องการให้หลานเธอเนี่มีสักกี่คนเธอบอกว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนในกรุงสาวัตถีทั้งหมดนี่เป็นหลานของหม่อมชั้นทั้งหมดรับสั่งถามว่าแล้วแต่ละวันแต่ละวันนี่คนในกรุงสาวัตถีตายวันละกี่คนก็อบอกไม่แน่วันแปดคนเก้าคน0ิบคนยี่ิบคนก็ตายทุกวันราบสั่งถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ตลอดทั้งวันทุกวันหน้าของเธอก็ต้องนองในน้าตาทุกวันนั่นคือเป็นการกระตุกให้คิด ปรับใจยอมรับความจริงเพราะที่จริงพระโสะดาบันทก็ล่อวิชชาไม่ได้นะยังมีโศกอยู่เหมือนกันแต่การพิสูจน์ทดสอบว่าความรู้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงมันจะต้องมองอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราประสบโดยตัวเองประสบการณ์ความแก่โดยตัวเองความเจ็บโดยตัวเองการพลาดพหาด้วยตัวเอ ง, เเอ ง, เองและคนตายของปียชนที่เรารัก ตลอดถึงความตายของคนที่เราไม่ชอบวางครั้งคนที่เราไม่ชอบตายเราสึกชื่นชมยินดีนั้นแสดงว่าใจไม่เข้าถึงกติธรรมดาแสดงว่ายังมีวิชาคือรู้ยังไม่จริงเพราะจริงคนที่เรารักเราชังมันก็ธรรมดาก็ตายธรรมดาเราเองก็ธรรมดาจะทำให้ใจไม่เศร้าสุกเมื่อคนนั้นเป็นที่รักต้องตาย ใจจะไม่ชื่นชมยินดีต่อคนที่เราไม่ชอบซึ่งตายไปแต่ก็ทั้งสองเรื่องนั้นกระตุ้นเตือนใจให้ยอมรับในกติธรรมดาว่าธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุบต่อไป